ที่นี้ในบทว่ากะตมังกตมังเนี่ยนะครับในคําว่ากตามังเอกธรรมังเนี่ยนะที่แปลแปลว่าเป็นไนะเป็นลักษณะของคําถามนั่นเองคําถามทั่วๆไปนีลักษณะของคําถามทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่5อย่างคือ1อธิษฐานาปุจฉาสทิฏฐสังสันนาปุจฉาสามวิมติเฉทนาปุชชาสอนุมติปุจชาห้ากะเทตุกรมมยตาปุชชา ทีนี้คําแปลนะครับจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อฟังคําอธิบายประกอบด้วยในคําถามเหล่านั้นตามปกติคนเราไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาไม่ไตรตรองไม่เข้าใจไม่แจ้งไม่ชัดถึงลักษณะจึงถามปัญหาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อไตรตรองเพื่อเข้าใจเพื่อแจ้งชัดถึงลักษณะนั้นเนี่ยนะนี้ชื่อว่าอธิฐ โชตนาปุจฉาถามเพื่อความสว่างในสิ่งที่ตนไม่เห็นเหมือนกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรเรื่องนั้นเลยก็ถามอยากรู้อยากเห็นเรื่องนั้นนะนะลักษณะนี้เรียกว่าอธิษฐโชตนาปุจฉาอ่างนั้นเถอะเขาบอกว่าถามเพื่อส่องความอย่างนั้นเถอะถามเพื่อความสว่างนั่นเองอนะนี่แบบคําถามที่หนึ่งที่คนถามนะนีคือถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างนั้นเถอะ สองตามปกติคนรู้แล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจแล้วแจ้งชัดแล้วซึ่งลักษณะเขาถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหล่าอื่นนี้ชื่อว่าทิฏฐะสังสันธนาปุชาถามเพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เห็นมาแล้วคล้ายๆกับว่าไปอ่านที่คำพีนั้นก็เข้าใจมาแล้วเอ๊ดูคนอื่นที่เขาจะว่ายังไงนะก็ถามไปอย่างนั้นนะส่วนคาถามที่สมก็ว่าตามปกติ คนเป็นผู้ตกอยู่ในความสงสัยในความไม่รู้ในความเคลือบแคลงว่าอย่างนี้หรือหนอหรือไม่ใช่หนอเป็นอะไรหนอเป็นอย่างไรหนออย่างเนี้ยเขาจึงถามปัญหาเพื่อขจัดความสงสัยดังนี้ชื่อว่าวิมติเฉทนาปุชาถามเพื่อขจัดความสงสัยความเห็นในสองแพร่งอะนะเอะ๊มันซ้ายหรือขวากันแน่นอะนแตตัดสินใจไม่ได้นะไปถามคนอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยนะ ส่วนคำถามอย่างที่สี่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาเพื่อคล้อยตามความเห็นด้วยพระดำรัสเมียที่ว่าตังกิงมัญญาทะพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาดูกวานพิสูจนทั้งหลายเพื่อเธอจะสำคัญความนั้นเป็นชนะยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าอนุมติปุจฉาถามเพื่อคล้อยตามถามเพื่อความอนุมัตินะนีน คล้ายว่าถามว่าเออเธอเข้าใจยังไงที่จริงก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องตอบแบบนี้แน่นอนเนี่ยนะสำนวนถ้าแบบทั่วๆไปก็ถามหาพวกมันแต่นี้นี่ไม่ใช่นะครับแต่นี้หมายความว่าคือถามถามหลักอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ให้พิสูจน์ทั้งหลายคลอยตามเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่า เวลาเราพิจารณาธรรมะใดธรรมะหนึ่งเนี่ยนะหรือพิจารณาขันธะนะพิจารณาให้ละเอียดดีแล้วนะแล้วค่อยๆน้อมนึกถึงพุทธพจน์ที่พงตรัตเหมือนกับพระองถามเราเลยนะว่าดูความพิสูจนะ์ะจากสูเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็นึกตามตอบนะนึกตอบในใจว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าแล้วก็น้อมไปเรื่อยๆตามสูตรนั้นให้หมดเลยนะตัวอย่างในนั้นทะโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยเอาสูตรเหล่านั้นแล้วมาค่อยๆคิดน้อมตามเนี่ยนะ ได้อัธรสเข้าใจพระธรรมเพิ่มบางอย่างขึ้นอีกนะครับลองๆอดูนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาเพราะมีพระประสงค์เพื่อจะตรัสบอกแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าจัตตารโหมีพิกเวอาหาราภูตานังวาสตนานังทิติยาสัมภเวสีนางวาอนุขหายะกะตะเมจัตตารโหดูความพิสูจน์ทั้งหลายอาหารสีเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความรำรงชีวิตของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้ว เพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์จำพวกสัมภเวษีเนี่ย น, นะอาหารสีนั้นคืออะไรเนี่ย น, นะก็คือถามเพื่อจะที่บายเองนั่นแหละชื่อว่ากะเทตุกรรมมยตาปุจชาถามเพื่อประสงค์จะบอกนะครับมันพอองถามแล้วพะองค์จะขยายเองนั่นแหละบางท่านก็ไม่เข้าใจหลักอันนี้นะก็รีบตอบไปก็ปอร์เซน์ผิดสูงนะครับต้องดูสังเกตว่าออผู้ที่เขาถามเนี่ยเขาถามจะตอบเองหรือว่าเขาถามทําไม าบางอย่างเขาถามเขาไม่ต้องการคำตอบหรอกครับเขาต้องการเพียงไงว่าเรียกร้องความสนใจในเรื่องนั้นเท่านั้นเองถือถ้าไม่ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมานะก็ก็จะเราจะไม่สนใจใช่ไหมแต่ตั้งเป็นคำถามปั๊บเนี่ยคนเัวาไปก็จะสะดุดพอสะดุดเขาก็อธิบายช่วงนั้นพอดีก็จะจำแม่นนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาอันนั้นเป็นอย่างดีนะครับในคาถามห้าอย่างเหล่านั้น คำถาม3มข้อข้างต้นมิได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านี่นะครับจะไม่ถามคําถามทั้ง3มข้อต้นเลยคือจะไม่ถามเทียบเคียงกับใครเลยนะครับถามที่ไอสิ่งที่ไม่รู้ก็จะไม่ถามถามเพื่อขจัดความสงสัยก็ไม่ถามเพราะเพราะอะไรท่านให้เหตุผลว่าเพราะเพราะว่าในการละทั้งสมนะครับ ในการทั้ง3มเนี่ยนะคืออดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคตะธรรมะไรๆเนี่ยนะคือสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในการ3นะครับหรืออสังคตะธรรมนิพพานที่เป็นกาลวิมุตต์คือพ้นจากการนะครับที่จะไม่เห็นไม่พิจารณาไม่ไตรตรองไม่เข้าใจไม่แจ้งชัดมิได้มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือนิพพานไอ้ส่วนที่เป็นสังขาร น, นะครับทั้งที่เป็นอดีตอดีตยาวขนาดไหนก็ช่างอนาคตไกลแค่ไหนก็ช่างเถอะนี่นะครับหรือปัจจุบันนี่นะครับที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีเลยนะครับแล้วแม้แต่พระนิพพานพระนิพพานที่ผู้ใดทําให้แจ้งเนี่ยนะครับนิพพานเหล่านั้นพระองค์พิจารณาหมดไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับ ด้วยเหตุนั้นคำถามเพื่อความสว่างในสิ่งที่ไม่เห็นจึงไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นนะ น, นะครับไม่มีที่ที่แต่ว่าถามที่พระองค์ถามก็เพื่อประโยชน์บางอย่างเท่านั้นเองนะครับการเทียบเคียงกับสมณะหรือพรามเทวดามารพรมอื่นแห่งสังฆตะธรรมและอสังฆตะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น แทงตลอดแล้วด้วยพระยานของตนของตนก็ไม่ได้มีด้วยเหตุนั้นแม้คําถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เห็นแล้วจึงไม่ได้มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเอพระองค์บรรลุอริยสัจแลใช่ไหมไปเที่ยวสอบถามคนเดินเหาะไปพร้มมั่งเหาะไปเทวดาไปเทียบ ไ, ไปถามคนนั้นคนนี้สิ่งที่ฉันบรรลุนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดนะครับพง์จะไม่มีแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะว่า พระองค์นี้รู้อะไรนะปริวัติ3ใช่ไหมครับอาการ12อย่างแทงตลอดอย่างดีเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนะครับแล้วก็สัพพัญยุตยานเป็นต้นอนนาวรณายานพยานทั้งหลายเหล่านั้นน่ะทำให้พระองค์เวทเคราะห์วิจินิชัยได้อย่างแม่นยำเหมือนกันเถะสว่างสวัยเหมือนอาทิตย์ในยามเที่ยงวันในสาระการที่ปราศจากเมฆหมอกเนี่ยนะไม่รู้จะไปเทียบเคียงกับใครทําอะไรเพราะไม่มีคนสว่างกว่า น, นี้แล้วอะ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธาทั้งหลายไม่มีความเคลือบแคลงข้ามพ้นวิจิกิจชาปราศจากความสงสัยในธรรมะทั้งปวงฉะนั้นแม้คำถามเพื่อขจัดความสงสัยจึงไม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะครับถามเพื่อตัดความสงสัยตัดประเด็นออกไปก็ไม่มีนะครับส่วนคำถามอีกสองข้อนั้นมีอยู่นะคือคาถามสองข้อหลังะนะที่เป็น อนุมัติปุจ ช, ชากับกะเทตุกรรมมยตาปุจ ช, ชานี่มีในสองคำถามนั้นพึงทราบคําถามในที่นี้คือในคมภีร์นี้นะครับหรือเฉพาะโลภาษูรนี้หมายถึงกะเทตุกรรมมยตาปุ ช, ชานะครับที่ที่พระองค์ถามทีแรกะนะพระองค์ถามว่าไงครับถามว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นฉไหนะใช่ไหมครับ ธรรมะธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยนะเป็นฉะไห น, นพระองค์ก็ตอบเองว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายและธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะถามแล้วก็พระองค์ก็ตอบเองนั่นแหละอย่างนี้ลักษณะของกะเถตก ร, รมมยตาปุชา ถ้าเป็นที่อื่นๆเช่นจุระราหูโลวาทสูตรปองก็ถามว่าดูก่อนราหุูจากสูดเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เธอจะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น น, นเป็นอัตราของเราอ่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้ น, นลักษณะ น, นั้นเขาเรียกว่าอนุอนุมติปุจชานะครับ เมื่อพระองค์ถามไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนจบสูตรพระราหุนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระนันทกะก็ใช้วิธีนี้นะครับภิกษุณี500รรูปก็บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลนะครับหมดเลยนะครับ